คนเดี๋ยวนี้นะหูตากว้างไกลเราก็รู้อะไรต่ออะไรมากมายรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นที่ประเทศนั้นประเทศนี้ทีรู้ไปไกลถึงต่างดาวไกลไปถึงกาแล็กซีอันไกลโพ้นแต่สิ่งที่เรารู้น้อยมากคือรู้จักตัวเอง มีวยรุ่นจำนวนไม่น้อยเลยนะรู้จักดาราเกาหลีรู้ลึกด้วยนะรู้ว่าเขาชอบอะไรเกิดเมื่ อ, อไรมีใครเป็นคู่จิน้นแต่ว่ากลับไม่รู้จักตัวเองการที่การรู้จักตัวเองมันเป็นเรื่องสำคัญเด็กหลายคนเนี่ยพอจะเรนต่อ โดยเฉพาะเมื่อต้องเข้าหมอทลา ย, ายหลายคนไม่รู้เลยนะว่าควรจะเรียนคณะอะไรเพราะไม่รู้ว่าตัวเองถนัดหรือชอบวิชาอะไรจริงอย่าว่าแต่เด็กวัยรุ่นเลยนะผู้ใหญ่ก็เหมือนกันและไม่ใช่แต่ว่าชอบวิชาอะไรหรือถนัดอะไรแม้กระทั่งเรื่องง่ายๆเช่นว่าชอบดูหนังประเภทไหนเนี่ย จำนวนไม่ร้อยจำนวนไม่น้อยนี่ก็ไม่รู้นะอาจจะคิดว่าตัวเองรู้นะแต่ที่จริงเนี่ยไม่รู้เลยเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยเน็ตซเนี่ยนะซึ่งเป็นบริการจัดหานหนังให้ดูเป็นพันๆหมื่นๆเรื่องนะทางโทรศัพท์มือถือ ก็เคยสอบถามสมาชิกนะว่าชอบดูหนังประเภทไหนก็มีให้เลือกมากมายสมาชิกหลายคนก็ตอบไปนะว่าชอบดูหนังประเภทนั้นประเภทนี้แล้วต่อมาเน็ตฟลิเขาก็มีการแนะนำสมาชิกแต่ละคนนะว่าเออหนังที่ตัวเองชอบเนี่ย ตอนนี้มาแล้วนะแต่ปรากฏว่าสมาร์ชิง่งเรไม่ค่อยดูเท่าไหรนะ่เขาก็แปลกใจนะเอานึกว่าบอกว่าชอบไงแต่ว่าพอแนะนำแล้วก็ไม่เปิดดูตอนหลังก็ เ, เลยใช้วิธีใหม่นะก็ลอง ติดตามดูว่าสมาชิกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยดูหนังประเภทไหนแล้วเขาก็รวบรวมข้อมูลโดยใช้โปรแกรมนะเรียกว่าอัลกอริทึมเนี่ยเก็บข้อมูลสมาชิกว่าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยดูหนังชอบดูหนังประเภทไหนแล้วทีนี้เขาก็ ส่งหนังประเภทนั้นเนี่ยมาให้สมาชิกได้ดูหรือว่าแนะนำให้รู้ว่าเนี่ยมาแล้วเพราะว่าสมาชิกเนี่ยจำนวนไม่น้อยเลยนะติดตามดูนะตามที่เน็ตฟลิแนะนำและหนังที่ n น t f l i x แนะนำเนี่ยมันก็แล หนังที่넷ฟิกแนะนําแล้วคนดูกันเนี่ยนะมันก็เป็นคนละชนิด ก, กับที่สมาชิกเนี่ยบอกว่าชอบแต่ที่จริงเนี่ยมันเป็นแค่ความคิดนะว่าชอบแต่จริงๆนะใจจริงๆไปชอบหนังแบบอื่นมากกว่าและ넷ฟิกเขาก็รู้ด้วยนะว่าสมาชิกมีชอบหนังประเภทไหน ก็กลายเป็นว่าเน็ติเนี่ยเขารู้จักรสนิยมของสมาชิกเนี่ยดีกว่าเจ้าตัวอีกนะส ม, มาชิกส่วนใจก็จะเวลาบอกว่าชอบหนังประเภทไหนก็มักจะระบุว่าเป็นหนังแบบหนังเกรดเอหนังที่มีคนหนังที่ได้รับคำชมจากนักวิจารณ์หนังหนังมีสาระ แต่พอดูจริงๆเนี่ยนะไม่ใช่หนังประเภทเกรด A ไปดูหนังเกรด B หนังบูนะหนัง Action. แอคชั่นก็อาจจะไม่ค่อยมีสาระแต่มันตื่นเต้นนะนะตลอดทั้งเรื่องเลยประมาณชิคเนี่ยไม่รู้นะว่าชอบดูหนังประเภทนี้คิดว่าตัวเองชอบดูหนังที่มัน มีสาระหนังที่กำกับโดยผู้กำกับชื่อดังแต่เวลาดูจริงๆเนี่ยนะมันดูหนังประเภทอื่นพอชอบดูหนังประเภทนั้นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะขนาดเรื่องง่ายๆนะว่าชอบดูหนังอะไรเนี่ยคนจำนวนมากก็ไม่รู้คิดว่ารู้เนี่ย แต่ที่จริงสิ่งที่คิดเนี่ยมันไม่ใช่ความจริงใจจริงอะชอบหนังประเภทอื่นมากกว่านี่ขนาดเรื่องง่ายๆนะคือเรื่องรสนิยมการดูหนังเมื่อไม่กี่วันมานี้เนี่ยก็มีผู้หญิงคนหนึ่งแกเล่าให้ฟังนะว่าเป็นนักศึกตอนเป็นนักศึกษาเนี่ยก็ ชอบผู้ชายนะเวลามาีเวลาจะควงแฟนก็ก็ควงกับผู้ชายจนกระทั่งพอมาขึ้นปีสองเนี่ยจึงรู้ว่าตัวเองเนี่ยที่จริงชอบผู้หญิงมากกว่าอันนั้นก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะแต่เรื่องที่มันแปลกคือว่า เธอมาพบ ว, ว่า Netflix เนี่ยรู้ว่าเธอเนี่ยชอบผู้หญิงก่อนตัวเธอจะรู้ซะอีกแล้วรู้ก่อนหลายเดือนด้วยนะเพราะว่าคือเธอเป็นสมาชิกตฟลินเนี่ยระหว่างที่ควงผู้ชายเนี่ย i x กาก็จะแนะนำหนังประเภทหญิงรักหญิง มาให้เธออยู่เรื่อยๆน e t f l ิ x รู้ได้ยไงเนรู้ได้เพราะว่าเธอเนี่ยเวลาดูหนังเนี่ยมันจะเป็นหนังโรงหนังซีรีส์เนี่ยก็จะเป็นหนังประเภทเนี้หญิงรักหญิงแต่เธอไม่เอจใจเลยนะว่าชอบที่ชอบหนังชอบดูหนังประเภทนี้เนี่ยเพราะว่าใจจริงเนี่ยเธอชอบผู้หญิงมากกว่า แต่วน Netflix เนี่ยมันจับพฤติกรรมการดูหนังของเธอได้หลายเดือนนะก่อนที่เธอจะรั่วตัวเองเนี่ยชอบผู้หญิงเพราะนั้นก็เลยแนะนำหนังประเภทหญิงรักหญิงมาให้เธออยู่เรื่อยๆก่อนที่เธอจะรั่เธอเป็นหญิงรักหญิงเธอก็สังเกตในะหนังบางเรื่องที่ Netflix แนะนำเนี่ยมันแนะนำเฉพาะตัวเธอนะเพื่อนรุ่นเดียวกัน อายุเท่ากันภูมิหลังเหมือนกันน็ตฟลิกมันไม่แนะนำหนังเรื่องนั้นให้เพื่อนเลยแต่ทำไมมันแนะนำหนังเรื่องนั้นให้เธอถ้าเป็นอ่งนี้อยู่ประจำนะเพราะว่ามันสังเกตนะมันจับมันเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการดูหนังของเธอจนกระทั่งจับได้ว่าเธอชอบหนังประเภทไหนแต่เธอไม่รู้เลยนะ มวตัวเองเนี่ยชอบผู้หญิงนะจนกระทั่งวันหนึ่งจึงรู้ว่าฉันชอบผู้หญิงชอบผู้ชายด้วยแต่ชอบผู้หญิงก็ชอบด้วยเขาเรียกว่าเป็นพวกใบนะแล้วเธอก็เอกใจว่าเนเนี่ยมันรู้จักเธอยิ่งกว่าที่เธอจะรู้จักตัวเองอย่างน้อยก็รู้ก่อนนะรู้ก่อนตัวเธอ จะยอมรับ ว, ว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบผู้หญิงนี่เป็นตัวอย่างนะว่าคนเดืยนนี้เนี่ยเรารู้จักตัวเองเงียน้อยไม่ว่ า, จ, าจะเป็นเรื่องที่มันธรรมดา ง, ง่ายง่ายเช่นว่ามีลักษณนิยมชอบหนังประเภทไหนจนกระทั่งถึงว่ามีเพศสภาพนะหรือ ความโน้มเอียงทางเพศอย่างไรเนี่ยโปรแกรมหรือแอปเนี่ยมันรู้ดีรู้ก่อนรู้ไว เ, เกี่ยวกับตัวเราและมากกว่าตัวเราเองสอิอนนี้เป็นเพราะอะไรนะจริงไอ้พวกแอ ป, ปหรือพวกโปรแกรมพวกนี้มันก็มันก็ไม่ไม่ได้ฉลาดไปก่าเรา เพราะจริงๆมันก็ไม่ได้มีสติปัญญาเลยเพียงแต่มันก็ทำตามไปตามคำสั่งที่ได้รับ <c oughs> ที่เขาเรียกว่าออากริทุมมนุษเราเนี่ยถ้าว่าเรารู้จักสังเกตตัวเองสักหน่อยนะเราก็จะรู้ว่าเราเนี่ยเป็นใครนะชอบอะไร หรือว่ามีนิสัยอย่างไรไม่ต้องรอให้เครื่องจักรหรือว่าโปรแกรมนี่มันมาบอกเราแต่ที่จริงเนี่ยถ้าคนเราเนี่ยมันสังเกตหน่อยมันก็น่าจะเอดใจนะอย่างเช่นผู้หญิงคนนี้เนี่ย แ่ก็น่าจะเอใจว่าเอ๊ะทำไม Netflix มันแนะนำหนังประเภทนี้มาให้เราบ่อยๆหญิงรักหญิงทั้งที่เพื่อนวัยเดียวกันถ้ามันไม่แนะนำเลยถ้ามันสังเกตนะก็จะเกิดความรู้สึกฉุกคิดนะเกิดเอ๊ะขึ้นมาในใจว่าเอ๊ะทำไม ถ้าเรารู้จักเอจใจเนี่ยมันก็จะสังเกตหรือรู้จักตัวเองเ่ง่ายขึ้นการสังเกต ต, ตัวเองเนี่ยมันก็เป็นหนทางนะสำคัญเลยในการที่จะทำให้เรารู้จักตัวเองรวมทั้งรู้จักนิสัยใจคอของเรา บางคนไม่รู้เลยนะว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนจู้จี้ขี้บน่นเพราะว่าไม่ค่อยได้สังเกตดูใจของตัวโดยพอเมื่อเห็นสังเกตปรจักปฏิกิริยาของคนอื่นคนอื่นพอเขาเจอเหตุการณ์อะไรบางอย่างเขาก็เฉยเฉยแต่ว่าเอ้ะทำไมเรามันบ่นโน่นบ่นนี่กระปอดกระแปนถ้าหากว่ารู้จักสังเกต คนรอบตัวแล้วก็สังเกตปฏิกิริยาของตัวเองก็จะรู้ว่าโอ้ให้เรามันชอบเป็นคนจู้จี้ขี้บ่นนะคนจำนวนไม่น้อยนี่ไม่รู้นะว่าตัวเองมีนิสัยนี้จนตายนะได้แต่สงสัยว่าทำไมคนไม่เคยอยากอ ย, กอยู่ใกล้เราทำไมใครๆก็อยากจะหนีห่างจากเราทำไมใครๆก็รู้สึกเหมือนตึงนะเวลาอยู่ใกล้เรา อันนี้เพราะไม่รู้จักตัวเองนะว่าเป็นคนที่จู้จี้ขี้บ่นหรือเป็นคนชอบมองลบมองร้ายเพราะว่าไม่สังเกตนะตถ้าหมั่นสังเกตมองตนเนี่ยมันจะเราจะเห็นอะไรมากกว่าตัวเองด้วยซ้ำนะไม่ใช่เห็นแค่นิสัยใจคอเราจะยังเห็นถึงความสุขความทุกข์สุขทุกเนี่ย ธรรมชาติของสุขและทุกเนี่ยมันคืออะไรมีเด็กคนหนึ่งนะอายุก็สัก1 3บ4วันหนึ่งเนี่ยนะได้ข่าวว่าเขามีการทำค้ายค่ายละครโดยผู้กำกับละครชื่อดัง แล้วเขาก็ไม่ได้คิดเงินอะไรมากแค่รับสมัครถ้าเธอสนใจนะก็ไปสมัครเข้าค่ายละคร น, นี้3คืน4วันดีใจที่เขารับเธอให้ไปร่วมค่ายแต่พอไปถึงก็ผิดหวังเพราะว่าไอ้ค่ายนี่มันเรียกว่าอยู่ไกลเมือง เมื่อสืบ ก, กับปีก่อนเนี่ยถ้าไกลเมืองมันก็ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์แล้วสัญญาณอ่อนเตือนเป็นคนติดโทรศัพท์มากไปถึงแล้วนี่พอรู้ว่าใช้โทรศัพท์มือถือไม่ได้ก็ผิดหวังแล้วก็คิดจะถอนตัวแต่ว่าไหนๆก็มาถึงแล้วก็ก็จำยอม แต่ว่าพอได้ทำกิจกรรมในค่ายเนี่ยนะฝึกซ้อมการเขียนบทฝึกซ้อมการแสดงเรียนรู้การเป็นผู้กากับละครผู้เธอมีความสุขมากเลยจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายอย่างเสด็จได้เลยไม่อยากเลิกไม่อยากกลับแล้วตรงนั้นที่เธอเกิดเอจใจขึ้นมานะ เกิดคำว่าเอะดังๆในใจว่าไอ้วันแรกนี่ฉันอยากกลับแต่พอถึงวันสุดท้ายทำไมฉันไม่อยากกลับที่ไม่อยากกลับเพราะอะไรเพราะว่าได้ทาสิ่งที่ชอบแม้ว่าจะใช้โทรศัพท์มือถือไม่ได้แต่ว่ามันก็ไม่ ส, สำคัญเลยเพราะเธอได้ทำสิ่งที่ชอบทำสิ่งที่ใจรักคือละคร ตอนนั้นเองที่เธอรู้ว่าความสุขของคนเรานี้มันไม่ได้อยู่ที่ว่าได้ใช้โทรศัพท์มือถือหรือว่าได้เสพสิ่งที่ถูกออกถูกใจแต่มันคือการที่ได้ทําสิ่งที่รักสิ่งที่ชอบแต่ก่อนนึกว่าความสุขเกิดจากการเสพใช้โทรศัพท์เป็นเครื่องมือในการเสพเช่นดูหนังฟังเพลง แต่ที่จริงแล้วสุขยิ่งกว่าคือการที่ได้ทําสิ่งที่ชอบความจริงอันนี้เนี่ยเกิดขึ้นได้จากการที่รู้จักสังเกตนะว่าแล้วเกิดคําถามขึ้นมาในใจว่าเอ๊ะทําไมฉันไม่อยากกลับเลยนะทั้งที่วันแรกอยากกลับเลยนนี่คล้ายๆกับเด็กที่มาเดินธรรมญาติตนะเด็กที่มาเดินธรรมญาตาหลายคนตอนที่มาเดินวันแรกๆเนี่ย อยากจะกลับบ้านนะเพราะว่าโทรศัพท์มือถือก็ใช้ไม่ได้ต้องนอนกลางดินกลางทรายแต่ก็จำต้องอยู่เพราะว่ามามาตามระเบียบครูสั่งให้มาครูก็มากํากับด้วยแต่พอเดินครบ7วันนะบอกว่ายังอยากเดินต่อนะยังไม่อยากเลิก จนกระทั่งผู้จัดนี่ก็ต้องจัดหาทริปย่อยให้เดินต่อให้เจอความลําบากความทรมารยิ่มก่อนเดิมหลายคนก็เกิดความเอจใจนะเอ๊ะทำไมวันแรกนี้ฉันอยากกลับแต่ว่าพอถึงมาสุดท้ายนี้ฉันอยากเดินต่อทั้งที่มันก็ลําบากแดดก็ร้อนก็พบ ว, ว่านี่เป็นเพราะว่า มีความสุขที่จะทำสิ่งที่ยากให้สำเร็จมันเป็นความภูมิใจการความภูมิใจที่ทำสิ่งที่ยากเนี่ยแม้แะจะลาบากแม้จะเหนื่อยเนี่ยมันให้ความสุขสุขกว่าการที่จะไปเที่ยวห้างสุขกว่าการที่จะไปเที่ยวดูนหนังสิถึงตรงนี้แล้วนะเด็กก็รู้แล้วนะความสุขนี่มัน มันเป็นอะไรที่มาไปกว่าการที่ได้ไปเที่ยวไปกินความสุขจากการที่ได้ทําสิ่งที่ยากความสุขที่เกิดจากความภาคภูมิใจนี่มันมันดีกว่านี่ก็เป็นบทเรียนสําคัญนะของเด็กที่เกิดจากการที่หมั่นที่หัดสังเกตแล้วก็เปรียบเทียบปฏิกิริยาของใจในสถานการณ์ที่แตกต่างกันจนกระทั่งเกิดความเอกใจขึ้นมา คนเราเนี่ยถ้าเกิดว่ารู้จักฉุกคิดนะมันจะได้ได้พบอะไรหลายอย่างดีๆได้รู้จักตัวเองมากขึ้นแล้วก็ได้เห็นสัจธรรมที่มันลึกซึ้งขึ้นเรื่อยๆบางคนน่ผู้ใหญ่แล้วนะไม่ใช่เด็กแต่ว่ามีความเครียดมีความท้อ ในเรื่องงานเรื่องการไม่เป็นที่ยอมรับมีความรู้สึกผิดหวังแต่พอได้เจออาจารย์กำพลทองบุมนุ่นนะเกิดความรู้สึกฉุกคิดขึ้นมาเลยมีความรู้สึกเอดใจขึ้นมาเอ๊ะอาจารย์ก็พิ ก, การนะตั้งแต่คอลงมาไปไหนมาไหนก็ลำบาก แต่ทำไมมีความสุขให้เรานี่มีอะไรต่ออะไรมากมายสุขภาพก็ดีไม่พิกลพิการตรงไหนแต่ทำไมจึงมีความทุกข์เหลือเกินในการที่รู้จักฉุกคิดแบบนี้มันทำให้เห็นเลยนะว่าอ๋อสุขหรือทุกข์อยู่ที่ใจนะ ไม่ว่าจะมีอะไรแค่ไหนแต่ถ้าวางใจไม่ถูกนะมันก็ทุกข์แต่ถ้าหากว่าวางใจเป็นหรือเข้าใจสุขหรือทุกข์ว่ามันมีสาเหตุมาจากอะไรเดี๋ยวพอถ้าเข้าใจความจริงของกายและใจมันไม่ทุกข์ก็ได้นะแม้จะพิการ ที่เนีว่าแต่คนที่ปฏิบัติปฏิบัติทำขั้นสูงอย่างอาจารย์กำพลเลยนะไมก่กระทั่งคนธรรมดาที่เขาไม่ได้ปฏิบัติรำเนี่ยแต่ว่าเขาพิการเนี่ยแต่เขายังมีความสุขเนี่ยมันก็เป็นเหตุผลมากพอที่ทําให้เราเกิดความสุขเอ๊ะในใจว่าทําไมเขาถึงมีความสุขได้อย่างน้องทันเนี่ยเด็กที่ เสียขาตั้งแต่อายุสิบสีนะเพราะว่าเกิดอุบัติเหตนะุตกลงไปในหลังรถไฟรถไฟฟ้าที่สิงคโปร์เมื่อสิกปีก่อนอย่านะอายุแ4ิบสีนะอนาคตกำลังสดใสเพราะว่าเสียขาทั้งสองข้างมาถึงวันนี้ต้องใส่ขาเทียมจต่เธอก็ยิ้มแย้มแจ่มใสนะ ทำเป็นยิบยังจังไสามานานแล้วหลังจากที่เริ่มทำใจได้กับการที่เสียขากลายเป็นคนพิการตลอดชีวิตมันเป็นคนที่คอยให้กำลังใจใครต่อใครรวมทั้งคนพิการให้เวลาใครมีความทุกข์เนี่ยเวลาเจอน้องทันนี่ถ้ารู้จักคิดนะมันก็จะเกิดความรู้สึก เอกใจขึ้นมาไว้ทำไมน้องเขามีความสุขได้นะทั้งที่เขาก็พิกการตรงที่แหละที่มันทำให้คนได้มาเห็นเลยนะว่าความสุขสุขหรือทุกเนี่ยนะมันอยู่ที่ใจเรามีมากแค่ไหนถ้าวางใจไม่เป็นมันก็ทุกขแต่แม้จะมีน้อยแถมพิกการ แต่ถ้าวางใจเป็นมันก็สุขได้สามารถที่จะให้กำลังใจคนอื่นได้น้องธันนี่เขาเรียกว่าเนี่ยสาวน้อยคิดบวกนะเธอเป็นคนที่ชอบคิดบวกก็เลยไม่จมอยู่ในความทุกข์ในการที่คนเราเนี่ยรู้จักฉุกคิดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเรียกว่ามันเป็น ประตูนะที่จะพาเรานะสู่ความรู้ความเข้าใจในตนเองรวมทั้งเห็นหนทางแห่งความสุขนะที่มันมีอยู่แลในใจเราแต่ในี้เราไม่ค่อยได้หันมาสังเกตตัวเองเท่าไหร่เรามักจะส่งจิตออกนอกนะไม่ค่อยหันมามองตนไม่ค่อยหันมาตั้งคำถาม กับสิ่งที่เราเห็นบางครั้งการตั้งคำถามเนี่ยมันมีคุณค่ามากกว่าคมตอบนะคำตอบที่เราได้อาจจะไม่ทำให้เราเปลี่ยนชีวิตมากเท่ากับคำถามที่เกิดจากการฉุกคิดว่าเอ๊ะทำไมเขาจึงมีความสุขได้ทั้งที่เขาพิกการหรือทาไม ทั้งที่ลำบากเนี่ยแต่ว่าฉันกลับมีความสุขประสบการณ์ชีวของเราเนี่ยมันมีคุณค่านะถ้าว่ามันเราฉลาดในการที่ในการหันกลับมามองหันกลับมาพิจารณาบางอย่างมันเป็นประสบการณ์บางอย่างแล้วก็มองเราปล่อยผ่านเลยไป เช่นบางครั้งเนี่ยเวลารถติดเนี่ยโอ้เรางุดหงิดมากเลยหัวเสียมากเลยแต่ทําไมบางครั้งเนี่ยรถติดแต่ว่าจิตเราไม่ตกเลยแล้วไม่หงุดหงิดเลยถ้าเราเมันสังเกตนะเออมันก็จะพบว่าออไอท้ที่ไอ้ความทุกข์ไม่ได้เกิดจากรถติดนะแต่มันเกิดจากใจของเราถ้าเราวางใจไม่เป็นเราก็หงุดหงิดแต่ถ้าเราวางใจถูกหรือเราไม่สนใจรถติดเี่ยใจเราก็ไม่ ไม่งดหุ ด, ดมันอยู่ที่ใจเราให้เรารู้จักนะตั้งคำถามนะสังเกตรู้จักเอดใจไอ้คำว่าเ e อเนี่ยนะมันสามารถที่จะเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจนะของคนเราได้เพราะมันทำให้เกิดความเกิดการตั้งคำถามนะกับ ความเข้าใจเดิมๆก็ทำให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยการวางใจเนี่ยถ้าเราวางใจถูกหรือการที่เราเข้าใจสัจธรรมความจริงหรือการรู้จักตัวเองเนี่ยมันก็ช่วยทำให้เราเนี่ยทุกน้อยลงแล้วก็เลิกก้าวก้าข้ามผ่านทุกไปได้ไม่จมอยู่กับ ความไม่จมอยู่กับอารมณ์ต่างๆที่มันครอบงำใจ